อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะในรายการธรรมารับรุนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะออกอากาศเป็นประจําทุกเช้านะค ะ, ะจะเริ่มต้นหลังจากเปิดสถานีแล้วก็จะออกอากาศให้ท่านผู้ฟังทางบ้านทั่วประเทศได้รับฟังผ่านทั้งทางคลื่นที่อยู่ในส่วนของภาคกลางคือ FM 92.5 m มเกแล้วก็ AM 891กิโลเฮิรตซ์ซึ่งก็ครอบคลุมไปเป็นพื้นที่อันกว้างใหญ่เลยนะคะรวมทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราในส่วนภูมิภาคก็รับสัญญาณรายการธรรมะอารับอรุณเพื่อนำสิ่งดีๆสิ่งที่เป็นมงคลและเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังมาเสนอเป็นประจำค่ะเราพบกันในเช้าวนันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนแล้วนะคะวันนี้เป็นวันที่24มิถุนายนค่ะก็ เป็นวันขึ้น6คข้าเดือน8นะคะสำหรับทางโลกแล้ววันที่24มิถุนายนนี้ก็เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของประเทศไทยเราเพราะว่าเป็นวันที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองอะไรต่างๆนานานะคะแต่ว่าในเมื่อเราไาพบกันในรายการธรรมาราพุณดังนั้นก็จะขอนำท่ า, า, า, นำ า, า, นานผู้ฟังมากราบน้มัศการพระอาจารย์ไพบุญอภิพุรุาพระอาจารย์ผู้อนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรม รีกเล่นตามพุทธวจนะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแห่งวัดป่าดอนหายโศกตัมบุญดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้มาระฟังพระอาจารย์ได้พูดคุยให้ฟังในหัวข้อซึ่งเราคุยค้างกันไว้เมื่อวานนี้ในช้าเมื่อวานก็คือเรื่องของกรรมนะคะก็ขอนำท่านผูฟังมากราบน้ัสการพระอาจารย์ไพบุญอภิบุนโนพร้อมกันเลยนะคะกราบน้ัสิการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าข า, าเตมบอนสาธุเจ้าค่ะ วันนี้เราจะคุยกันต่อเรื่องของกรรมนะเาคะตอนนี้ก่อนที่จะได้พูดคุยลึกซึ้งไปอย่างที่พระอาจารย์ได้เมตาที่จะจัดเตรียมไว้นั้นน่ะโยมอยากจะขอหยิบยกมาเรียนถามพระอาจารย์สองประการเจ้าค่ะ ป, ประการาแรกอย่างที่ว่าเมื่อวานนี้ที่กราบนมัสการแล้วก็กราบเรียนถามก็คือเรื่องของการที่ว่าเมื่อเราทำบุญแล้ว อ, อย่างที่บอกว่าพระพุทธองค์บอกว่าไม่สามารถที่จะไปขอโอหิกรมได้ นะเจ้าคะแต่อันนี้พระอาจารย์ก็ได้เมตตาอธิบายแล้วแต่อยากให้ย้ำนิดหนึ่งในเช้าวันนี้เจ้าคะเพื่อว่าท่านผู้ฟังทางบ้านอีกหลายท่านรวมทั้งตัวของโยมเองด้วยนะเจ้าคะจะได้ไม่เกิดความท้อถอยว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะสร้างบุญสร้างกุศลขออุิกรรมแต่สิ่งที่ไม่ดีซึ่งเราอาจจะทำมณิชาติก่อนๆซึ่งเราเชื่อกันนะเจ้าคะว่ามันมีผลทาให้อาชีวิตปัจจุบันของเราเนี่ยบางทีก็ตกต่าไปบ้าง โดนเขากลั่นแกล้งบ้างหรือว่าจะเดินทางไปทางไหนจะทําอะไรเหมือนมันติดขัดไปหมดนะเจ้าค่ะชาวพูดเราเจ้าค่ะก็มักจะคิดว่าเนี่ยคงต้องเป็นกรรมเก่าแน่เลยหรือแม้แต่ใครมามาแกล้งเราหรือว่ามาคิดไม่ดีต่อเราทั้งๆที่เราไม่เคยคิดไม่ดีกับเขาเลย ม, มากลั่นแกล้งเราอย่างนู้นอย่างนี้ เ, เราก็มักจะนึก ว, ว่าคนนี้แหละคงจะเป็นเจ้ากรรมในเวรของเราเราคงไปเคยไปทําอะไรก็ไม่ได้ชาติแล้วอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ อันนี้เนี่ยอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์พิบูลได้สากระชาหรือสาธยายให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังตรงจุดนี้ให้กระจ่างอีกนิดนึงเถิดเจ้าคะ่ะขบอขบขบนิมนต์เจ<อ>้าค่ะทีนี้นี่มันมีมันไปทีละประเด็มีอยู่2องาประเด็นเรื่องนี้แต่ผมว่าเราบอกว่าขอเคอให้เป็นอโหสิกรรมแล้วอาจจะทําให้มีคนเข้าใจแต่มาปิดนิดหนึง่งแที่พระอาจารย์บอกว่าขอเนี่ยคือหมายความว่าขอกรรมที่ต้องให้ผลเนี่ยเป็นไม่ให้ผลเอาฟังอีกครั้งหนึ่งนะขอกรรมที่ยังให้ผลไม่เสร็จขอเป็นให้ผลเสร็จ หรือขอกรรมที่ให้ผลมากเป็นให้ผลน้อยขอกรรมที่ให้ผลเนี่ยเป็นว่าอยากให้ผลพวกนี้ขอไม่ได้ฟังอีกครั้งหนึ่งฟังอีกครั้งหนึ่งนะขอผลของกรรมที่ยังให้ผลไม่เสร็จเนี่ยขอให้เป็นให้ผลเสร็จยกตัวอย่างเช่นสมมุติตอนนี้คุณกําลังอยู่ในช่วงเศรษฐกิจที่มันขาลงลคุณโอ้เป็นหนี้สินแรไรต่างแน่นอนเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้เป็นผลของกรรมที่คุณเคยทําไว้ยกสมมุตินะสมมตินะอันนี้สมมุติทีนี้ว่ามันยังให้ผลไม่เสร็จอะยังให้ผลไม่เสร็จนะ คุณก็ไปเที่ยวบนบานสันกล่าวหรือว่าทําบุญให้ทานแล้วก็ขอว่าเออขอให้มันหมดสักทีแต่เคราะห์ของฉันให้มันสิ้นสุดสักทีพูดตรงๆเลยนะด้วยความเพียรเนี่ยขอทําไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะมันยังให้ผลไม่เสร็จยังไม่ยังให้ผลไม่เสร็จคุณขอให้ว่าให้มันให้ผลเสร็จเนี่ยไม่ได้อันนี้อันที่หนึ่งขอของที่มันต้องให้ผลมากเป็นให้ผลน้อยสมมุติไปฆ่ามารดาฆ่าปิดามา ทำอนันตริยก ร, รมเนี่ยโอ้มันหนักมากเลต้องไปลงนรกแล้วก็ขอว่าโอ้ยอย่าให้เป็นลงเลยขอให้เป็นให้ผลงั้นลงนรกชั้นต้นๆพอได้ไหมไม่ต้องไปลงเอเวจีมาหานรก <Okay. S 1> มันมันไม่ได้คุณเตือนใจเข้าใจไหมบางทีบางคนขึ้นมาจากนรกยังมีเศษกรรมตามมาอยู่นะมันยังให้ผลอยู่ขอว่าไอ้พวกนี้อย่าให้ผลเลยมันมันไม่ได้มันมีเศษกรรมอาจจะให้ผลเบาได้บ้างนั้นด้วยด้วยการทําบุญอันนี้พอได้อยู่แต่พระพุทธเจ้าบอกงนี้นะขอสิ่งที่ ขอผลของกรรมเนี่ยที่ให้ผลมากเนี่ยขอเป็นให้ผลน้อยนะก็ด้วยกําลังด้วยความเพียรเนี่ยทาไม่ได้นะเจ้า่ะหมายความว่าไอ้ที่เรากําลังประสบความทุกข์อยู่ขอให้มันเบาบางลงขอไม่หายไปก็ยังดีขอให้เบาบางลงด้วยการทําความเพียร น, นะอย่างเงี้ยไม่ได้นะค่ะทีนี้ต้องทํำยังไงคุณตือนใจเฮ้ยอาตมาก็ถ้าถ้าบอกว่าอาตมาพูดไปเนี่ยอาจจะทําให้มีคนเข้าใจผิดว่าเรากล่าวตู่บริชาอ่ กล่าวตู่พระเจ้าอันแล้วพระเจ้าสอนให้เชื่อเรื่องกรรมอแต่ทํำไมอาจารย์ไพบูลพูดว่าอย่าไปเชื่อกาเก่าซึ่งเราก็ไม่ได้พูดอย่างนั้นนะซึ่งพระพุทธเจ้าบอกงนี้ว่าอย่าไปเชื่อว่าทั้งหมดเนี่ยเกิดจากผลของกรรมเก่าอย่างเดียวทั้งหมดเกิดจากผลของกรรมเก่าอย่างเดียวไม่ใช่อ่ามันไม่ใช่มันไม่แน่บางทีอาจเป็นอย่างอื่นนะเราก็ถ้าเผิดว่าเราเราไปเอากรรมเก่ามาเป็นสาระสาคัญแล้วเนี่ย แล้วเราไม่มีสติในการที่จะทําสิ่งที่ควรทำํำละเว้นสิ่งที่ควรละเว้นเราจะไม่ถูกต้องเราจะเป็นผู้เผลอสติเราจะได้โอกาสมาจะเอาโอกาสจากเราได้ห <Okay. S 1> มายความว่าไงอย่างเศรษฐกิจขาลงนะคุณมีหนี้สินล้นพ้นตัวนะกรรมกรรเก่ากำลังให้ผลอยู่ในตัวอย่างเช่นนะแล้วถ้าเผื่อว่าเราทําไม่ดีนะโกงนะพูดด่าว่าขึ้นเวทีด่าคนอื่นโอ้นี้คุณไม่มีสติรักษาตัว คุณไม่มีสติละเว้นสิ่งที่ควรละเว้นคุณไม่มีสติทําในสิ่งที่คุณคุณจะต้องทําคุณจะตกอยู่ในที่นั่งลําบากเรากำลังเตือนตรงนี้แล้วถ้าเผืว่าเราไปเอากรำเก่ามาเป็นสาระสําคัญถ้าเราเอากำเก่าอย่างเดียวเป็นสาระสาคัญเอาเทีพระเจ้าองค์นั้นองค์นี้เอาพระเจ้าเอาสิ่งอะไรที่เอาบุคคลอื่นนั่นแหะเป็นสาระสาคัญแล้วเราไม่ตั้งใจทําสิ่งที่ควรทําไม่ละสิ่งที่ควรละอันนี้ต่างหากคือประเด็นอืเราต้องละสิ่งที่ควรละ นั่นคืออักุศลทั้งหลายเราไม่ทําต่อให้เศรษฐกิจมันจะขาลงจะเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวไอ้ฆ่าสั ร, ร์รักทรัพย์รุ่ผิดในการด่าว่าเขาพูดจาหยาบพูดจาสอดเสียดนะคิดพยาบาทคิดปองร้ายมีวิชาทิฏฐิเราจะไม่ทําเราจะไม่ทำนะเพราะ <c oughs> อะไร <c oughs> เพราะว่าเราไม่คิดว่าชีวิตฉันอยู่ที่กําก่าอย่างเดียวอันนี้มันจะพูดขัดแย้งกัน น, นิดนึงแต่ว่าจริงๆมันสอดคล้องกันอยู่เอาฟังอีกครั้งหนึ่งนะคุณเตือนใจเจ้าค่ะถ้าผัวเราอาจจะมาบอกว่า ชีวิตฉันที่มันไม่ดีเนี่ยฉันไม่เอากรรมเก่าเป็นสาระสําคัญใช่ไหมฉันจะตั้งใจทําสิ่งที่ดีละเว้นสิ่งที่ไม่ดีเศรษฐกิจจะดีไม่ดีฉันจะมีจนจะรวยฉันยังไงต่อให้ฉันจนขนาดไหนฉันก็ยังทํากุศลกรรมบุ10ิบอย่างได้นะต่อให้ฉันรวยขนาดไหนฉันก็ทํากุศลกรรมบุ10สิบอย่างได้อยู่ดีใช่ไหมแปลว่าคุณจะรวยจนมีสุขมีทุกข์คุณทําได้อยู่ดีคนที่จะทําได้ตรงนี้ได้เนี่ยคุณต้องมีสตินะถ้าเรามีสติแล้วแสดงว่าคุณเนี่ย ไม่เชื่อในกรรมเก่าอย่างเดียวแต่แล้วทุนทํากรรมปัจจุบันเพื่ออะไรเพราะเราเชื่อเรื่องผลของกรรมนะว่าภายในภาคหน้ามันจะต้องให้ผลแต่ถามว่าพรุ่งนี้มันจะให้ผลไหมบางคลบอกเนี่ยโอ้โหใส่บาปรพระอหันต้องได้ผลในชาตินี้แน่นอนมันพยากรณ์ได้ยากนะยากไม่งั้นชาวบ้านที่เขาอยู่ใกล้พระเจ้าอหรือว่าชาวบ้านที่เขาอยู่ใกล้พระอรหันต์เนี่ยเขาใส่บาตทุกวันทุกวันทำไมชีวิตเขาไม่ดีขึ้นอ่ะเจ้าค่ะมันพยากรณ์ยากไง ไม่ใช่ไอ้ที่ใสบาตจะไม่ให้ผลนะให้ผลแน่นอนแต่มันให้ผลตอนไหนก็ไม่รู้ว่าช่วงเนี้ยกรรมชั่วที่เขาเคยทําไว้อันจะเข้าให้ผลอยู่หรือเปล่าที่ให้ให้ผลเขาให้ผลเป็นทุกเนี่ยให้ผลอยู่หรือเปล่าทํำให้ไอากรรมที่จะให้ผลเป็นสูงเนี่ยมันยังไม่เข้าหาสักทีอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเชื่อกรำเก่าอย่างเดียวเอากรรมเก่าเป็นสาระสําคัญแล้วเราไม่ได้สร้างความดีอันนี้เราจะพลาดแต่ถ้าเรา เราบอกว่างั้นงั้นก็ไม่ทําความดีแล้วการช่างมันบาทไม่ใส่ทานไม่ทานทานไม่ทําำศีลไม่รักษาอันนี้คุณก็จะพลาดอีก<ช>เพราะฉะนั้นก็จะพูดง่ายๆว่าเราต้องทําความดีต่อไปเรื่อยๆนะกรรมดีต้องให้ผลแน่นอนก็คือว่าให้ผลแน่นอนไม่วันนี้ก็วันในอนาคตข้างหน้าถูกเจ้าคะ่ะแต่ส่วนกรรมที่ไม่ดีซึ่งเราอาจจะทําไปโดยเจตนาก็ดีหรือไม่เจตนาก็ดีตั้งแต่ชาติปางก่อนหรือว่าแต่ดึกดํา ดำบันมาอย่างที่เราอาจจะจําไม่ได้แล้วเนี่ยเจ้าคะก็เราก็คือก็ต้องชดใช้คือต้องได้รับผลกรรมนั้นแน่นอนเพียงแต่ว่าถ้าผลกรรมนั้นที่เราได้รับเนี่ยมันมันหมดไปแล้วในขณะที่เราหยุดการทําไม่ดีละเราเริ่มทําตั้งแต่ความดีไปเรื่อยๆเนี่ยก็เท่ากับชีวิตเราเนี่ยยังเดินไปข้างหน้าถูกไหมเจ้าคะดังนั้นเนี่ยก็จะไปประจวบกับสิ่งที่ดีๆทั้งหลายแหล ะ, ะที่เราจะได้รับกุศลที่ดีใช่ไหมเจ้าคะ ท, ที่ที่คุณตื่นใจบอกว่าต้องชดใช้เนี่ยถามว่าเราต้องชดใช้กรรมเนี่ยนะ <Okay. S 2> คือหมายความว่าเราเราไม่ได้ว่าทําตัวให้ลําบากนะคือไอ้ที่ชดใช้เนี่ยเราชดใช้อยู่ทุกวันอยู่แล้วในการที่เรามีร่างกายนี้เจอสุขเชอทุกข์พวกนี้เป็นการชดใช้ <S <S คื อ, คอจะใช้คําว่าชดใช้ไม่ได้หรอกนะเพราะว่ามันก็เป็นกระแส ข, ของภารษาที่ไหลมาอยู่เรื่อยๆเพียนงแต่ว่าเราเราทําความดีอยู่ทุกๆวัน ท, ทุกวั น, วนถ้าใช้คําว่าชดใช้เนี่ยจะทําให้เราไปติดใน like <S <S 2> <S 2> ทิฏฐิท<ๆ>ี<ๆ>่ว่างั้นฉันไปทําตัวให้ลําบากลําบากนะฉันเป็นใหญ่แจ๋วฉันไปอยู่ป่าลําบากลําบากเพื่อที่จะชดใช้ตรงนี้เพราะฉะนั้นคำว่าชดใช้เนี่ย จึงอาจจะเป็นคำที่ไม่ถูกที่ควรจะใช้แต่ยังไงก็ตามมันมาให้ผลแน่นอนด้วยไม่ใช่รูปแบบของสิ่งที่เราจะต้องไปชดใช้นะแต่มันจะต้องให้ผลให้เป็นผลเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างนะเป็นมีนะแล้วเราจะ<ช>เปลี่ย น, ปยนแปลงตรงนี้โอ้ยทำด้วยความเพียนด้วยการไปชดใช้อย่างที่ว่าเนี่ยไม่ได้ เจ้าค่ะทีนี้พอฟังพระอาจารย์ไพบูลอภิปุโนโดได้สากระฉามมาถึงตรงนี้นะเจ้าค่ะโยมคิดว่าคงมีท่านผู้ฟังทางบ้านเป็นจํานวนมากทีเดียวเจ้าค่ะคิดตรงกับใจแล้วก็คงอยากจะให้โยมได้กราบนมักการเรียนถามพระอาจารย์ไพบูร์แล้วเจ้าค่ะว่าถ้าสมมุติว่าชีวิตในปัจจุบันของเราหมายถึงของท่านผู้ฟังหลายๆท่านเองก็ตา ม, รมาหรือว่าแม้แต่ของโยมเองก็ตามเนี่ยที่ว่าเราเจอปัญหาอุปสรรคต่างๆรู้สึกมันจะติดขัดไปหมดนะเจ้าค่ะ สถานการณ์ไม่ว่าจะด้านการเงินด้านการงานอะไรต่างๆนี่เจ้าค่ะหลายคนอาจจะรู้สึกติดขัดโดนกันแกล้งโดนอะไรต่างๆนานาเ น, นี่ยก็ควรจะทําอย่างไรเราเจ้าคะเพื่อให้ชีวิตของเราเนี่ยดีขึ้นแล้วก็มีความเป็นเป็นสุขได้โดยในทางธรรมอย่างที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้เจ้าค่ะ <Okay. S 1> เพื่อว่าชีวิตจะได้เบาสบายขึ้นมีความสุขบ้าง นะเจ้าคะ่ะขอ้อกัดที่มนุษย์อันดับแรกคือเราต้องมีสติก่อนนะคือสติเนี่ยเพราะว่าถ้าเราไม่มีสติเนี่ยเราจะไหลไปตางความชั่วได้านนะเราจะไหลไปตามคนนี้บอกให้ไปวงสูงอย่างนั้นคนนี้บอกให้แก้กรรมอย่างนี้ไปนอนในโลกไปทําอะไรอ้าวนี่คุ ณ, ค, ณคุณปิดละเริ่มไปไม่ถูกทางทีนี้ เ, เราต้องมีสติเนี่ยเพื่อที่จะทําอะไรนะคือรักษาจิตของเราให้อยู่ในกุศลธรรมนะสิอย่างนะให้อยู่ในกุศลธรรม10อย่าง คือไม่ค่าศาสตร์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกรรมไม่แกล้งกล่าวเท็จไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อแล้วก็ไม่ไม่มีมิจฉาทิฏฐิไม่เพ่งเลงไม่ไม่ทำความพยายามที่เกิดขึ้นในใจกุศลก็มาบทสิบอย่างนี้เราตั้งใจทํำแล้วถามว่าเอแล้วเมื่อไหร่ไอ้กรรมตรงที่เราทําตรงนี้มันจะให้ผลก็เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละ เพราะมันมันพยากรได้ยากมากคุณต้นใจเราอยา่าไปท้อแท้ท้อถอยนะบางทีมันเป็นห้าปีสิบปีก็มีนะบางทีมันแป๊บเดียวก็มีแล้วมันมันไม่แน่เลยตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าถ้าปอว่าเราเร า, เราตั้งใจนะละสิ่งที่ควรละคือความชั่วเราไม่ทําตั้งใจทําในสิ่งที่ควรทํานั่นแหละคือสิ่งที่ควรทํานั้นะแล้วเราทําอย่างนี้เราจะมีสตินะมันจะไม่ได้ช่องจากเราแล้วแล้วถามว่าแล้วเมื่อไหร่จะดีขึ้น อันนี้อาตมาไม่ได้อยู่ในฐานในที่จิตตอบได้จุกค่ ะ, ะแต่เรายืนยันได้ว่าคุณจะต้องดีขึ้นจุกค่ะไม่เร็วๆนี้ก็ดสักวันะหนึ่งไม่ในปัจจุบันนะก็ในเวลาต่อมาหรือไม่ก็ในเวลาต่อมาอาตมาอีกจุกค่ ท, ทีนี้ว่าเวลาที่เราทําความดีเนี่ยอย่างน้อยนะั้นนับมีนาทีนะั้นคุณจะได้ผลเฉพาะตนอยู่อย่างหนึ่งนะคือความที่ไม่ร้อนใจคุณเธอใจ ค, อความที่ไม่ร้อนใจเนี่ยคือว่าสมมุติเราไม่ผิดศีลห้าเราดูดตามศีลห้า เราจะมีความสบายใจว่าจะไม่มีใครที่จะมาโจ์เราด้วยเรื่องศีลหาได้เลยละต่อให้คุณจนขนาดไหนต่อให้คุณถูกกันแร้งขนาดไหนต่อให้คุณถูก อ, อยู่ในความทุกข์ขนาดไหนก็ตามคุณจะไม่ได้รับจะมีความสบายใจว่าเราจะไม่ถูกเขามาโจ์เรื่องศีลหาได้อันนี้เป็นตน้น ผู้เชี่ยวยืนยันตรงนี้คุณตนใจว่าถ้าเผื่อว่าเธอปราถนาว่าขอให้ชีวิตฉันมีชื่อเสียงปราถนาว่าให้ชีวิตฉันมีเงินปราถนาให้ชีวิตฉันมีความสุขปราถนาชีวิตมีความเจริญก้าวหน้าปราถนาให้ชีวิตมีสุขภาพดีให้ทําอะไรนะให้มีศีลสมาธิปัญญาเนี่ยถพูดสั้นๆเย้ายง่ายๆนะเพื่อให้เข้าใจง่ายก็คือให้มีศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิคือปัญญาคืออะไรก็กุศลกรรมบท10อย่างนั่นแหละคือการทําความดีกันอยู่ในมาร์กใช่ไหมทําไปทําไปเนี่ยคุณได้แน่ อนี่ผู้เช้าพยากรณนะ์แล้วคุณเตืนใจมันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะถ้าผู้เช้าพยากรณ์ว่าถ้าคุณจะดีขึ้นมาได้มีชีวิตดีขึ้นมาได้มีสุขภาพดีขึ้นไม่ได้มีอะไรต่างๆดีขึ้นไม่ได้เนี่ยเพราะศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนั้นเจ้าค่ะอะะ ท, ทีนี้ว่าถ้าถ้ามันให้ผลอยู่บ้างความชั่วมันอาจจะให้ผลอยู่ได้บ้างเราต้องลอต้องอดทนไปแล้วก็อาจะจะพูดประทับไปก็ไม่ถูกแต่เราก็ทําความดีไปของเราต่อไปเรื่อยๆอืเจ้าค่ ะ, <ๆ>คะและอีกคํานึงนะเจ้าค่ะที่เรามักจะพูดกันอยู่เสมอๆเลยนั่นก็คือว่า บางทีเนี่ยเรารู้แล้วล่ะว่าทําดีเนี่ยต้องได้ดีทุกคนเจ้าคะอาจทำชั่วได้ชั่วแต่ตอนนี้ก็มีหลายๆท่านที่อาจจะว่าอาจจะเจอเหตุการณ์ที่ว่าไม่ว่าทําดีเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยังโดนกานแกล้งโดนอย่างนู้นอย่าง น, างนี้เหมือนชีวิตมีมีเขาเรียกว่ามีความทุกข์อยู่ตลอดนะเจ้าคะแล้วกับคนที่เขาเห็นอยู่ว่าคนนี้ไม่ดีมันโกงอะไรอย่างเงี้นะเจ้าคะก็ทํางานที่มันทุจริตแบบ คอรัปชันบ้างอะไรบ้างต่างๆนานานี่เจ้าค่ะแต่กลับเห็นชีวิตได้ดีอยู่อย่างนี้เจ้าค่ะอันนี้อย่างเนี้ยโยมคงต้องกราบนมัส ก, การถามพระอาจารย์พิบูลแล้วเจ้าค่ะว่าแล้วทําไมตรงนี้มันไม่เป็นไปตามพุทธวจนะหล่ะเจ้าค่ะว่าในเมื่อทําดีแล้วมันต้องได้ดีส่วนคนทําชั่วเนี่ยมั น, ม, นมันก็ก็ควรจะต้องได้ชั่วถูกไหมเจ้าคะแต่กลายเป็นคนชั่วนี่ก็ยังได้ดีอยู่มีความสุขอยู่อย่างนี้ก็เลยทําให้คนที่ตั้งใจทําแต่ความดีซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยบางทีก็ อาจจะค่อยๆตามไปในทางที่จะไหลไปในทางที่ถ้า อ, อย่างนั้นเราก็ชั่วบ้างก็แล้วกันอย่างนี้นะเจ้าคะเผื่อว่าชีวิตเราจะมีความสุขขึ้นอย่างนี้เจ้าคะนะมาสการเจ้าคะอันนี้ต้องตอบอย่างนี้ว่า<อ>พุทธเจ้าเคยตอบไว้นะว่าทําทไมบางคนทำคือมีพราหมณ์คนหนึ่งเข ก, ก, ก็มีตาทิพะนะเข า, ขาดูว่าทําไมคนที่ทําชั่วแล้วแล้วไปสวรรค์คนนี้ทําดีแล้วไปนรกอย่างเงี้ยทาดีนี่มายว่ารักษาศีลเป็นต้นนะพุทธเจ้าก็บอกงี้ว่าไม่ใช่ทั้งหมดจะเป็นอย่างนั้น นะหรือไ ม, ไม่ใช่เพราะว่ากรรมเก่าที่บางทีมันให้ผลไม่เหมือนกันนะถ้าพูดง่ายๆก็คือว่าตราบใดที่กรรมชั่วเนี่ยยังไม่เข้าให้ผลบุคคลจะไม่รู้สึกแต่ถ้าเมื่อไหร่นะที่กรรมให้ผลเป็นทุกข์เข้าให้ผลเขาแล้วเนี่ยเขาจะรู้แล้วว่าอะไรคืออะไรคุณ <Okay. S 2> พุทธาภูรลักษณะนี้เพราะฉะนั้นกรรมเนี่ยบางจังหวะชีวิตตรงนั้นเนี่ยบางทีกรรมที่ให้ผลเป็นสุขมันเข้าให้ผลอยู่นะเราเราอย่าไปมัวหลงระเริงในสิ่งที่เป็นสุขนั้น มกม่นอยู่ในความสุขนั้นแล้วเจอเพื่อนชั่วเนี่ยทำให้เราทําความสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยนะโอ้คุณพลาดเลยเพราะเมื่ อ, อไหร่ที่กรรมที่ให้ผลเป็นความทุกข์เข้าให้ผลแล้วคุณจะรู้สึกว่ายอย่างนั้นพระเจ้าว่าอย่างนั้นทีนี้ว่าเราต้องตั้งใจทําความดีนะตอนนี้นะเพราะว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในเหตุการณ์ยังไงนะพระเจ้าจึงให้เครื่องมือเอาไว้นะเครื่องมือนั้นคืออะไรคุณตือนใจคืออริยสัจสี่ในะอริยสัจสเป็นยังไง นั่นคือความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยนะบางคนก็จะคิดว่าเออฉันไม่อยากได้ความทุกข์ฉันอยากได้ความสุขอย่างเดียวนั่นะแล้เราก็เลยตั้งใจทําความดีเพื่อที่จะเข้าใจตรงนี้คุณคุณก็ผิดอีกเหมือนกันอนะ่ะกระทีิฐินี้ไม่ถูกต้องเพราะว่าถ้ า, ค, าคุณตั้งใจทําความดีเพื่อที่จะให้ชีวิตของฉันเป็นสุขอย่างเดียวและด้วยความอยากที่จะเป็นสุขไม่อยากที่จะมีทุกข์ไอ้ที่นี้คุณคิดไม่ถูกเพราะว่าสุขทุกข์เนี่ยเป็นของที่ควรกําหนดรู้นะควรทําความเข้าใจไม่ใช่ว่าปาดสุขก แต่สุขทุกข์มันมาด้วยกันนะในเมื่อมันมาด้วยกันเนี่ยเราต้องทําความเข้าใจว่าอ๋อบางทีมันเกิดขึ้นพร้อมกันได้นะอย่างเมื่อที่เรากินอาหารเผ็ดๆอย่างเงี้ยแหมเผ็ดนี่มันก็ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่มันก็ชอบกินนะคืออายตนะทางลิ้นบอกว่าเผ็ดแต่อายตนะทางใจบอกว่าอ่ะชอบเอาอย่างเงี้ยมันก็มี <c oughs> ทั้ง <c oughs> ทั้ ง, ท, งทั้งชอบและไม่ชอบในในการกินอาหารครั้งเดียวกันอย่างนี้ก็มีเนะ <c oughs> พระเาะฉะนั้นเวลาที่เราสุขทุกข์เกิดขึ้นในช่วงเราเนี่ยเราต้องทําความเข้าใจว่า โอ้มันเราต้องเข้าใจเขาว่ามันทั้งมีทั้งสุขก็มีทุกข์ก็มีนะเราทาความเข้าใจอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าสุขไม่สุขเอาทุกข์ไม่เอาอย่างนี้เข้าใจยังไม่ถูกต้องแต่สุขก็เกิดขึ้นได้ทุกข์ก็เกิดขึ้นได้สุขก็ดับไปได้ทุกข์ก็ดับไปได้ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยนะพระเจ้าให้เครื่องมือตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อเราจะได้คลายความทุกข์ใจได้บ้างนะเพราะว่าเรื่องกรรมเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะมาบังคับให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้นะแม้แต่ตัวผู้เจ้าของเราเองอ่ะดู นะยังถูกคนมาด่าว่านะยังถูกพระเทวทัศน์มาทําร้ายให้โลหิตห่อนะยังต้องป่วยเป็นโรคท้องร่วงอะไรต่างมีทั้งนั้น <Okay. S 1> นะผู้เช่าของเรานะคิดดูแล้วกันเพราะฉ <Okay. S 1> นะ <Okay. S 1> นะั้นในสุขทุกในชีวิตของเราเนี่ยมีแน่นอนมีแน่นอนเราเวลาที่เกิดความทุกข์แล้วนะให้มีสติในการที่จะรักษาจิตทําความดีต่อไปนะถ้ามีความสุขในชีวิตแล้วให้มีสติรักษาจิตอย่าไปลุ่มหลงมัวเมาห ม, มกมุ่นในความสุขนั้นให้ทําความดีต่อไป แต่ะนะาะวัาทั้งหมดทั้งสิ้นนี้จะให้ผลเป็นความสุขตลอดนะจะให้ผลควายเป็นความสุขขึ้นในความสุขเองมันก็มีความทุกข์เจืออยู่น ะ, นะ ถ, ะถ้าจะพูดอย่างนี้ให้ถูกสมมุติคนที่มีแต่ความสุขสบายในบ้านเรือนหลายๆเป็นหลังโตๆมีรถเยอะแยะในมีชื่อเสียงหน้าหน้าถือตาเวลากินข้าวอิม่มอิ่ท้องอื่นก็อื่นเหมือนกันก็เป็นทุกข์เหมือนกันเวลาปวดท้องต้องไปเข้าน้ําก็เป็นทุกข์เหมือนกันเพราะฉะนั้นความทุกข์เขาต้องมีเจือปนแน่นอน อืมเจ้าค่ะก็ดีว่าคงไม่มีชีวิตใครที่ว่าจะสมบูรณ์ไปซะทุกอย่างถูกไหมเจ้าค่ะใช่ใชเจ้าค่ะในในเรื่องของกรรมตรงนี้คุณเตือนใจเราก็พูดในลักษณะที่ว่าพอจะให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจได้นะว่าเอออย่างน้อยนะไม่ใช่ว่ามันเป็นกรรมเก่าอย่างเดียวนี้เราก็าใจละประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองไม้ว่าชีวิตฉันจะเป็นสุขหรือจะเป็นทุกข์ตามแต่ฉันต้องทําความดีเจ้าค่ะ แล้วอย่าไปเข้าใจว่าไอ้ที่กรรมเก่าไม่ใช่กรรมเก่าอย่างเดียวเนี่ยงั้นฉันก็ไม่ทำกรรมบัดนี้แหละจะได้ไม่ต้องไปเชื่อเรื่องนี้เดี๋ยวเด็ดขาดอันนี้ก็เป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นให้เราตั้งมั่นในการทําความดีนะกรรมเนี่ยต้องให้ผลแน่นอนบุคคลเนี่ยมีกรรมเป็นกําเนิดมีการเป็นมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยนะมีกรรมเป็นที่จะบ่งบอกให้เราเป็นประณีหรือเป็นคนทามได้ทั้งนั้นเป็นเพราะกรรมคือเจตนาของเราอืมเจ้าค่ะเจ้าค่ะ ดังนั้นสําหรับท่านผู้ฟังที่อาจจะกําลังทุกข์กายทุกใจด้วย อ, อย่างที่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของสิ่งที่ทํากรรมไม่ดีไว้แต่ชาติตปางไหนก็แล้วแต่นะเจ้าคะหรือแม้แต่เกิดจากเรื่องของดินฟ้าอากาศอย่างที่พระอาจารย์ได้คุยเมื่อวานนี้นะเจ้าคะว่าเหตุของกรรมเนี่ยมันมีทั้งสิ่งที่เรากระทามารวมทั้งสิ่งที่ว่าเป็นดินฟ้าอากาศก็ตามหรืออะไรก็ตามมี3ามอย่างอย่างที่พระอาจารย์พูดเมื่อวานนี้นะเจ้าคะใช่ ดังนั้นเนี่ยโยมขออนุญาตกลับเรียนถามแทนท่านผู้ฟังนะเจ้าค่ะว่าในจุดนี้นี่ก็คือว่าถึงแม้ว่าเราจะกําลังรับทุก์หรือว่าคือก็คือเกิดมาเนี่ยเขาก็บอกแล้วว่าเรามาใช้กรรมถูกไหมเจ้าคะ <c oughs> อย่างที่พระอาจารย์พูดว่าทุกชีวิตก็ต้องมีความความทุกข์อยู่ในการดําเนินชีวิตไปแต่ละวันเหมือนอย่างที่เราบอกว่าเราเกิดมาเพื่อใช้กรรมเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะทําได้เจ้า <c oughs> ค่ะนิด น, น, น, น, น, น, นึงตรงนี้ว่า <c oughs> คือเราไม่ได้เกิดมาเพื่อใช้กรรมนะ เราเราเกิดมาเนี่ยเพราะมันมีเหตุของการเกิดคือถ้าเราบอกว่าเราเกิดมาเพื่อใช้กรรมเนี่ยจะทําให้คนที่จะมีทิฐิน้อมไปในทางที่จะเออฉันรับไปก็ได้ฉันน้อมไปในทางทําตัวเองให้ลำบากแต่ไม่ใช่อย่างนั้นนะเราเกิดมาสร้างความดีถ้าพูดอย่างนี้ดีกว่าเราเกิดมาทําความดีถ้าจะพูดอย่างนี้ถึงจะถูกต้องนะว่าเราเกิดมาทําความดีนะไม่ว่าเราจะมีสุขมีทุก์ยังไงเราทําความดีขอให้เราหมั่นตั้งใจทำทำความดีต่อไป แล้วก็ในการทำความดีของเราถ้ า, ากว่าเรารักษาศีลปฏิบัติธรรมมออีอย่างที่พระอาจารย์ได้แนะนำแล้วนะเจ้าคะ่ะก็คือมี อ, อ, อ, อ, อริยมรรคมีองค์แดอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะทำให้เราเกิดความสุขได้ด้วยการจิตของเราจะสงบและสามารถที่จะทนได้หรือว่าเข้าใจมีสติรับรู้แล้วก็ทนอยู่ได้ในทุกสภาวะการที่เราอาจจะต้องเผชิญอยู่ ในชีวิตปัจจุบันที่<ช>สังคมค่อนข้างจะเคร่งเครียดทั้งด้านเศรษฐกิจกสังคมการเมืองอะไรต่างๆถูกไหมเจ้าคะ่ะใช่ใช่เจ้าค่ะเนาะอ่นี่ก็คือจะจะพูดถึงเรื่องของกรรมตรงนี้เนท่ถ้าท่านผู้ฟังมีคำถามหรือว่าเข้าสงสัยใดๆก็เขียนมาถามได้เจ้าค่ะ ที่นี้อยากจะขอให้พระอาจารย์ภัยบุญอภิปุโนนั่นเจ้าค่ะได้เมตตาที่จะสรุปให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังประมวลอีกครั้งหนึ่งเจ้าค่ะว่าตามพุทธพจนะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยในสถานที่เราเกิดมาเป็นคนในชีวิตเนี่ยเมื่อสักครู่ที่โยมบอกว่าเกิดมาใช้กรรมพระอาจารย์บอกไม่ใช่เราเกิดมาเพื่อที่จะสร้างความดีเพื่อที่จะให้เราได้เดินไปในาทางที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงชี้แนะแล้ว ว่าให้เดินไปถึงนิพพานก็คือการสิ้นสุดหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องมีมี เ, เพราะฉะนั้นในเรื่องของกรรมนี้คุณตนใจเราก็ตั้งใจทําความดีต่อไป <Okay. S 1> นะคือเราไม่รู้เลยว่ากรรมเราสิ้นไปเท่าไหร่เท่าไหร่สมมติว่าเราเราทำความดีใช่ไหมไอ้ที่เรารับน่ยเราบอกว่าคุณชดใช้กรรมคุณชดใช้กรรมแล้วคุณรู้ไหมว่าไอ้ที่ชดใช้ไปมันชดใช้ไปแล้วเท่าไหร่แล้วมันเหลือเหลือเท่าไหร่แล้วไอ้ที่ยังเหลืออยู่เนี่ยมันดังอีกมากน้อยไหมแล้วที่ทำเนี่ยมันจะทําไปเรือีกนานเท่าไหร่เราไม่รูู้้้ขอมลลพวกนีเย นะหรือว่าเวลาที่เราละกิเลสเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าที่เราขูดขูดออกไปในกิเลสเราหลุดออกไปเท่าไหร่และยังเหลืออีกเท่าไหร่แต่มันก็ค่อยละไปละไปตามระบบนะเราไม่มีญาณอย่างรู้ตรงนี้เพรา ะ, ะนั้นการกระทำของเราเนี่ยจึงต้องเป็นไปตามระบบที่พริชาตบอกก็คืออริยมรรคีองแปด ถ้าเราตามตามอริยมรรมีองค์แแล้วเราสบายใจได้เลยคุณจันใจแต่ไม่ว่าชีวิตของคุณจะมีทุกข์หรือชีวิตของคุณจะมีสุขชีวิตของคุณจะร่ํารวยหรือยากจนอยู่ในสภาวบานไหนก็ตามนะด้วยการกระทําที่ว่าในระบบของอริยมรรมีองค์แเนี่ยจะทําให้ถึงความสิ้นกรรมได้จะทาให้ใจของเราสบายได้นะอย่าไปเชื่อว่าไอ้กรรมเกา่ามันเป็นกรรมเก่าอย่างเดียวอย่าไปเชื่อว่าเป็นคนอื่นบันดาลอย่างเดียวอย่าไปเชื่อว่าคนนั้นคนนี้ทําให้แต่เพื่ออย่าหรืออย่าไปเชื่อว่าตัวเราเองทําเอง และเชื่อแบบนี้ก็จะทําให้มีทิฐิที่ไม่ถูกต้องนะแต่ถ้าเราทํากรรมสิ่งใดแล้วนะถ้ามันเป็นไปด้วยกับความที่ไม่เกี่ยวข้องกับราคะไม่เกี่ยวข้องกับโทสะไม่เกี่ยวข้องกับโมหะนี้ดนะีถ้าเราทําไปอย่างนี้อนาะนะคตเนี่ยจะเป็นยังไง ก, ก็เป็นอย่างนั้นนะเราก็รับได้เราก็จะสบายใจได้อย่างน้อยในปัจจุบันเนี่ยคุณเตนใจเราสิ่งต่างๆมันย่วยวนมันเข้ามารุมเร้ามันมีปัญหาหลายอะแยะไปหมดนนะั้คือไม่ใช่ว่าเราคนเดียวมีปัญหานะ พระเจ้ายัางพูดถึงสิ่งต่างๆที่ว่าขอของที่มันไม่ให้มันให้มันเสื่อมไปเป็นธรรมดาว่าอย่าเสื่อมไปเลยเนี่ยหรือขอของที่มีความชิบหายเป็นธรรมดาว่าอย่าชิบหายไปเลยเนี่ยมันมันไม่มีใครได้นะไม่ว่าเทวดาเทพมารพรมนะพระอินทร์พระพรหมหรือใครๆในโลกไม่อาจจะได้แต่แม้ชีวิตของเราก็ไม่ได้เหมือนกันนะในเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราควรจะมาทําสิ่งที่ทําให้ถึงความสิ้นกรรมดีกว่านะทํำยังไงให้เอ่ความที่จะต้องเสื่อมไปเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันหายไปโดยซ้ำแม้จุดนั้นชุกค่ะ นั่นก็คือเรื่องของการที่รทธปรอภิษฎปฏิบัติธรรมตามคําสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกระทั่งเราสามารถที่จะบรรลุจุกระทั่งถึงนิพพานได้นะเจ้าค่ะใช่ใเจ้าค่ะ แ, แล้วการกระทําอย่างเงี้ยจะเป็นผู้ที่ว่าทําความเพียรอย่างให้ผลนะรูปแบบของการทําความเพียรเน้นย้ำอีกทีตรงนี้ว่าอย่าไปเอาความทุกข์ที่ตัวเองไม่ได้มีทุกข์เนี่ยมาทับถมตัวเองนะอย่าเอาอย่าสละความสุขที่เกิดขึ้นโดยธรรม นะเราก็ไม่เป็นผู้ที่หมกมุ่นในความสุขนั้นนะถ้าถ้าเราไม่หมกมุ่นนะเราไม่เอาทุกมาทับถมตัวเองเราก็สบายใจอยู่ได้นะอเป็นผู้เหมือนกับทาความเพียรอยู่ตลอดเวลาละเจ้าค่ะแล้วก็หมั่นที่จะรักษาศีลปฏิบัติธรรมเรื่อยไปนะเจ้าค่ะก็คงจะทําให้ชีวิตเราเนี่ยอมีศีลสมาธิปัญญาแล้วก็มีความสุขกายสุขใจไปเองนะเจ้าค่ะตามวิธีทางที่ควรจะเป็นด้วยถูกต้องเจ้าค่ะอื นในในรายการธรรมาบุรุษวันนี้เราพูดถึงเรื่องของกรรมคุณตือนใจเป็นเรื่องที่ถ้าผบว่าอาจจะมีประเด็นที่ท่านผู้ฟังยังไม่เข้าใจก็เขียนมาถามกันตมาว่าเจ้ค่ะสงสัยอะไรเกี่ยวกับเรื่องของกรรมก็เขียนมาได้ที่รายการธรรมารับุรุษสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพหรือกทม1นึ0งนะคะหรือว่าจะเขียนเข้าไปถามในเว็บไซต์ของทางวัดก็ได้ใช่ไหมเจ้าคะ่ะใช่ใช่เจ้าคะ่ะเผียวธรรมารัปคอม เพียวธรรมะคอมนะค ะ, ะท่านผู้ฟังคะสำหรับในเช้าวันนี้ก็คงจะต้องอําลาจากกันแล้วราคาเวลาหมดลงแล้วนะคะเราขอเรียนเชิญท่านผู้ฟังตามมาพบกับรายการธรรมาราพุนกันได้ใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ซึ่งก็เป็นเช้าวันจันทร์ที่จะได้พบกับท่านพระอาจารย์ไพภูณพีพิพุโนได้มาสาธยายธรรมะดีๆให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเหมือนเช่นเคยส่วนในช่วงของการถามตอบและก็สนทนาธรรมะสากัญชานั้นก็พบกันใหม่ ในเสาร์อาทิตย์หน้านะคะจับในเช้าวันนี้เรามากราบน้มัสการลาและกราบขอพระคุณอย่างสูงแด่ท่านพระอาจารย์ภัยบุญอภิภูโนและพระอาจารย์ด็อกเตร์สะอาดที่โตภาโซหลวงพ่อดออรสะอาดที่โตภาโซซึ่งท่านเป็นท่านเจ้าอาวาสของวดัดป่าดอนไหสกุกตําบลดอนไหสกุกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะกราบนมันสการลาและกราบขอพระคุณอย่างสูงเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาเจริญพราาสาธุเจ้าค่ะ